การฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาวิชาความรู้ที่สูงสุดของโลกเลยก็ว่าได้เพราะวิชาความรู้ของทางพระพุทธศาสนานี้เป็นวิชาความรู้เดียวในโลกนี้ ที่จะทำให้ผู้ศึกษาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้วิชาอื่นๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดแขนงใดระดับใดก็ตามระดับปริญญาเอก ก็ยังเป็นวิชาความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นวิชาความรู้ที่ไม่สามารถนำให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่วิชาความรู้ของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น ที่จะทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดได้การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการสร้างความรู้ที่มีอยู่สามขั้นด้วยกัน ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้มีสามขั้นเรียกว่าปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งก็คือสุตมยปัญญาคือความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจากการฟังหรืออ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยะปัญญาความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาอยู่เนืองๆความรู้ที่ได้รับจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะถ้าศึกษาแล้วไม่นำเอามาไตรตรองไม่เอามาพิจารณาค่อยครวญอยู่เรื่อยๆความรู้ที่ได้ จากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะก็จะจางหายไปได้จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองเพื่อจะได้ไม่ลืมเหมือนกับการทําการบ้านเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้วครูอาจารย์ก็ยังสั่งให้กลับไปที่บ้าน เพื่อไปทําการบ้านไปทบทวนคำสอนที่ได้เรียนในห้องเรียนในวันนี้เพื่อที่จะได้ไม่ลืมเพื่อที่จะได้นำเอาไปสู่การทดสอบต่อไปคือขั้นที่สามวิชาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนที่ได้นำมาทําการบ้าน ก็จะต้องผ่านการทดสอบขั้นที่สคือการไปสอบว่าจะสอบได้หรือไม่ได้การสอบนี้ก็สอบดูว่าจำได้หรือไม่ได้จำความรู้ความศึกษาที่ได้ศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วได้ทบทวนด้วยการทำการบ้านนี้อย่างหลงเหลืออยู่ในใจอยู่หรือไม่ตงต้องให้ไปสอบ สอบแบบไม่ให้เปิดหนังสือดูเพื่อทดสอบดูว่าจําได้หรือไม่นี่คือการเรียนทางโลกก็เป็นสามขั้นเหมือนกันขั้นที่หนึ่งก็เรียนจากครูจากอาจารย์ในห้องเรียนขั้นที่สองก็ไปทาการบ้านไปทบทวนความรู้ต่างๆไปท่องไปจําเอาไว้ว่าวันนี้ได้เรียนอะไรมามั่งมีอะไรบ้างจําได้หรือไม่ พ่อเดียวจะต้องไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นทดสอบว่าจำได้หรือไม่ทางศาสนาพูทก็เหมือนกันความรู้ขั้นที่หนึ่งก็รู้จากการเรียนในห้องเรียนเช่นตอนนี้ญาติโยมก็เหมือนกำลังอยู่ในห้องเรียนกำลังเรียนวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าวิชาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ ให้หมดไปพอเรียนแล้วขั้นที่สองก็นําเอาไปทําการบ้านคือนําเอาไปทบทวนเอาไปไข้ครวนพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อให้จดให้จําแล้วเมื่อได้ขั้นที่สองแล้วก็ต้องนําไปสู่การพัฒนาขั้นที่สาม ขั้นที่สามทางพระพุทธศาสนานี้จะต้องนำเอาอไปทดสอบว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้สามารถดับความทุกข์ได้จริงหรือไม่การที่จะนำเอาความรู้ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาเป็นความรู้ขั้นที่สามนี้จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติ ทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิก่อนปัญญาขั้นที่สามนี้จึงเรียกว่าสัมมาภาวนาเมยปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุ ต, ตะมะยปัญญาสุ ต, ตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุ ต, ตะมะยปัญญา เมื่อได้สุดตามยยะปัญญาแล้วก็เอาไปทำให้เป็นจินตามยยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไข้ขวรจินตนาการจินตาแปลว่าจินตนาการปัญญาที่เราจะต้องมานึกมาจินตนาการความรู้ที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์เราต้องเอามาจินตนาการมารำลึกมาพิจารณาอยู่เนือง ความรู้อะไรที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณาการอยู่เนืองๆก็คือความรู้เกี่ยวกับร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้พระพุทธเจ้าสงสอนว่าอานิจจังไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของร่างกายเป็นอย่างไรคือเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานี่แปลว่าไม่เที่ยงนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรารู้กันให้รู้ว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายล่วงพ้นความพลาดพลาดจากกาันไม่ได้ไปไม่ได้นี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งที่จะมาพาให้เรานำไปใช้ในการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้นะแต่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังในห้องเรียนถ้าไม่เอาไปทำการบ้านต่อ เดี๋ยวจะลืมได้พวกเรามักจะลืมกันอยู่เรื่อยๆลืมความแก่กันลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยกันลืมความตายกันลืมการพัดพรากจากกันพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกทันทีเป็นเหมือนเรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตกใจหวาดกลัว เป็นเหมือนกับเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดไม่ควรจะเกิดเพราะาอะไรเพราะว่าเราลืมเราเรียนแล้วเราไม่เอามาค่ายควรมาพิจารณาต่อถ้าเรานำเอามาค่ายควรพิจารณาอยู่เนืองๆทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าสอนพระอ น, นุ อ, อนนน์วันหนึ่งเธอพิจารณาอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงของร่างกายวันละสกักี่ครั้งกันพระนนท์บอกผมก็พิจารณาประมาณสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่า อ, อนนน์เธอยังประมาทอยู่เธอยังพิจารณาไม่พ อ, อเพราะมัน ความเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนเท่านั้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีถ้าเธอไม่อยากจะประมาทเธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่ามันไม่เที่ยง เพราะถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายก็ต้องตายหรือหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าร่างกายก็ต้องตายเหมือนกันนี่คือวิธีพิจารณาอย่างเนืองเนืองอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพยายามคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เกือบทุกลมหายใจเข้าออก แล้วเราจะได้ปัญญาขั้นที่สองคือเราจะได้จินตามิยะปัญญาถึงแม้ว่าเราจะได้ปัญญาขั้นที่สองนี้เราไม่หลงไม่ดืมแล้วก็ตามแต่เวลาเราไปเจอข้อสอบเรามักจะสอบตกกันเพราะเรายังทำใจไม่ได้เพราะเจอความแก่เราก็ไม่สบายใจเห็นผมงอกก็ไม่สบายใจ เห็นผมร่วงก็ไม่สบายใจเห็นหนังเหี่ยวหนังย่นขึ้นมาก็ไม่สบายใจเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่สบายใจยังมีความทุกข์ใจอยู่แสดงว่าความรู้ขั้นที่หนึ่งและความรู้ขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่อยู่ภายในใจของเราได้เพราะยังเป็นความรู้ที่ขาด องค์ประกอบที่สำคัญคือสมถาภาวนาที่จะทำให้ความรู้ที่เป็นสุตตะจินตาไมยปัญญานี้กลายเป็นภาวนาไมยปัญญาขึ้นมานั่นเองดังนั้น <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกาันไปไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าร่างกายเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งให้มันไม่เที่ยงสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่เที่ยงไม่ได้มันจะต้องไม่เที่ยงไปตามธรรมชาติของมันเรารู้ความจริงอันนี้ แต่เวลาที่เราเจอความจริงอันนี้เรายังทุกข์กันอยู่ถ้าเรายังทุกข์กันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ถึงปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี้เราเรียกว่าภาวนามัยปัญญาปัญญาที่มีส ม, มถะภาวนาเป็นองค์ประกอบตอนนี้เรายังไม่มีส ม, มถะภาวนากัน แม้ว่าจะมีสุตตะมยะปัญญามีจินตามยพปัญญารู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันแต่เวลาเกิดเหตุการณ์ใจก็ยังทุกข์อยู่ใจยังไม่สบายนี่แสดงว่ายัางไม่ถึงปัญญาขั้นที่สามเพราะขาดองค์ประกอบที่สำคัญคือสมถะภาวนา ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำให้ปัญญานี้เป็นสมถะเป็นภาวนาไมายะปัญญาเราต้องมาเจริญสมถะภาวนากันสมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิถึงจะทำให้ใจนี้มีพลังที่จะหยุดความทุกข์หยุดความ หยุดเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกได้เราต้องมาภาวนากันมาเจริญสมถภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธินี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิสมาธินี้มีสามรูปแบบด้วยกันสมาธิรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าคานิกะสมาธิรูปแบบที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิ รูปแบบที่สามเรียกว่าอุ ป, ปจารสมาธิสมาธิเราที่เราต้องการนี้ต้องเป็นรูปแบบที่สองคืออัปปนาสมาธิสมาธิแบบหนึ่งกับแบบสองนี้เป็นสมาธิเหมือนกันต่างกันตรงที่สั้นหรือยาวคาว่าสมาธิ อ่านิกะหรือปนาสมาธินี่หมายถึงจิตรวมสงบนิ่งรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นเอขะกขตตารลมมีลมมีอารมณ์เพียงหนึ่งเดียวคือสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาเป็นอารมณ์รู้แล้วก็เป็นอุเบกขาคือวางเฉยใจปราศจากความรักชังกลัวหลง ตอนนั้นใจจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรทั้งนั้นทีนี้คณิกะนี้จะเป็นอัปปนาปจะเป็นการรวมชั่วขณะเดียวคณิกะแปลว่าขณะหนึ่งหนึ่งขณะคือเวลาเราฝึกใหม่ๆนี้เราจะได้คณิกะสมาธิก่อนเนื่องจากกำลังของใจของสติ ที่จะทําดึงใจมาให้รวมเป็นหนึ่งนี้ยังมีไม่มากพอมีพอที่จะดึงมาให้รวมกันได้เพียงแวบเดียวชั่วขณะหนึ่งเวลาที่เราจเจริญสมาธิใหม่ๆจเจริญสตินั่งสมาธิเวลาใจรวมนี้จะรวมเพียงแป๊บเดียวพอจรวมวุบลงไปนิ่งสงบปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ถอนออกมา อันนี้เรียกว่าคณนิกะสมาธิจึงต้องพัฒนาจากสมาธิขั้นที่หนึ่งให้ไปสู่ขั้นที่สองคืออัปปนาสมาธิคือเวลารวมแล้วให้นิ่งอยู่นานๆนนจะนิ่งอยู่นานๆก็ต้องอาศัยสติที่มีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับจึงจำเป็นจะต้องฝึกสติให้มาก เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมเวลาทํากิจกรรมอะไรต่างๆต้องเจริญสติต้องภาวนาไปเหมือนกับตอนที่นั่งสมาธิคือต้องมีอะไรคอยกำกับใจควบคุมใจไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ไปคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลให้ ด้วยการให้มีการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติการสร้างสติด้วยการนับลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จนวิธีสร้างสติขึ้นมาวิธีหนึ่งเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาลืมตาขึ้นมาเลยก็อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ อย่าปล่อยให้ไปอดีตอย่าปล่อยให้ไปอนาคตต้องดึงให้อยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตก็จะไม่คิดถ้าไปอดีตก็ต้องคิดไปอนาคตก็ต้องคิดถ้าอยู่ปัจจุบันก็จะรู้เฉยๆเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ไม่ได้ หรือจะไปคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เพราะไม่ปล่อยให้คิดดึงไว้ด้วยพุโทโธพุธโทโธให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าจะใช้อย่างอื่นแทนพุโทโธก็ได้ใช้อะไรแทนพุโทโธเช่นใช้ร่างกายแทนพุโทโธเราก็เรียกว่ากายยกตาสติการมีสติ อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เรียกว่ากายยะกตาสติให้มีสติคอยดูเฝ้าดูร่างกายร่างกายนี้เป็นปัจจุบันถ้าอยู่กับร่างกายนี้มันเป็นปัจจุบันถ้าเผลอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นอดีตเป็นอนาคตไปแล้วเหตั้นถ้าเราอยู่กับร่างกายมันก็จะคิดไม่ได้ ถ้ามันคิดก็แสดงว่ามันไม่อยู่กับร่างกายอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนในสีอิริยาบถและในกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นจะต้องทำเช่นจําเป็นจะต้องอาบน้ำอาบท่าน้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดอะไรต่างๆ นี่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำก็ทำด้วยสมิการมีสติกากับใจให้อยู่กับกิจกรรมเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาคืออยู่กับร่างกายถ้าจิตอยู่กับร่างกายจิตก็จะเป็นปัจจุบันจะอยู่ปัจจุบันถ้าอยู่ปัจจุบันจิตก็จะนิ่ง จิตก็จะไม่คิดปรุงแต่งหรือคิดก็คิดน้อยมากจะว่านิ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คงไม่ได้เพราะจิตยังต้องทำงานอย่างน้อยก็ต้องสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอาบน้ำก็ต้องสั่งให้ร่างกายอาบน้ำรับประทานอาหารก็ต้องสั่งให้รับประทานอาหารแต่เป็นการทำกิจกรรมที่น้อยที่สุดที่จำเป็นเท่านั้น จะไม่ปล่อยให้ไปคิดฟุ้งซ่านอย่างที่ไม่มีสติอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องสร้างถ้าอยากจะได้อัปปนาสมาธิคือให้จิตรวมแล้วตั้งอยู่นานๆอันนี้ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ไปทั้งวันแล้วพอเราว่างจากกิจกรรมต่างๆเราก็มานั่งหลับตาทีนี้จิตจะนิ่งได้เต็มร้อยเต็มที่รวมได้เป็นหนึ่ง เพราะตอนนี้จิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องสั่งร่างกายให้ทำอะไรแล้วปล่อยวางร่างกายให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มาควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดด้วยการให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนร่างกายเพราะตอนนี้ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่มีอะไรให้ดูก็ดูเสียงที่ยังเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกให้ดูที่ลมหายใจเข้าออก หรือจะให้อยู่กับพุทธโธก็ได้วิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปนกันก็ได้บางคนก็ชอบปนกันเอาทั้งลมเอาทั้งพุทธโธด้วยเออพุทธเข้าโทออกหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธบางคนว่ายุ่งยากเอามันอย่างเดียวดีกว่าพุทธโธก็พุทธโธไปเลยไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูว่ามันเข้าหรือออก บางคนก็ไม่อยากจะบริกรรมอยากจะดูเฉยๆก็ดูลมไปเฉยๆไม่ต้องบริกรรมก็ได้ไม่ต้องดูเข้าดูออกดูที่ปลายจมูกตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกอยู่บริเวณปลายจมูกเหนือริมฝีปากขึ้นมาจะสัมผัสรับรู้กับลมเข้าลมออกได้อย่างชัดเจนก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออก พอตามเข้าตามออกมันจะเป็นการทำงานของจิตนั่นเองจิตจะนิ่งไม่ได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวต้องให้อยู่จุดเดียวเพ่งอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกหรือเหนือบริเวณฝีปากขึ้นมาลิ่มฝีปากขึ้นมาก็ให้จดจ่ออยู่ตรงนั้นเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาว หยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเวลาลมไม่มีก็อยู่กับกับตัวรู้ไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้รู้นอกจากตัวรู้ผู้รู้ยังอยู่ลมไม่อยู่แต่ผู้ที่รู้ลมยังอยู่ให้อยู่กับผู้ที่รู้ลมไปให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้อย่าไปตกใจไป ตืนเต้นบางคนพอลมไม่มีเกิดความ ต, ตกใจกลัวขึ้นมาว่าเฮ้เราไม่หายใจเดี๋ยวตายหรือเปล่าอพอเกิดอย่างนี้เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาใจก็จะถอนออกจากความจะเข้าสู่ความสงบก็ถอยออกมาเพราะความกลัวความคิดปรุงแต่งปรากฏขึ้นมาอย่าให้มีความคิดปรุงแต่งปรากฏขึ้นมา ทำความเข้าใจก่อนที่จะนั่งว่าเวลาไม่มีลมไม่ต้องกลัวถ้ามีสติมีความรู้อยู่ไม่ร่างกายไม่ตายไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าตัดสัู้้จากการนั่งดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออกดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่างดูความไม่มีลมไปดูความว่าง ดูว่ามันคิดหรือไม่คิดอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าคิดตอนนั้นก็มีสติหยุดมันได้ก็หยุดมันนะแล้วจิตมันก็จะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งต่อไปอย่างแน่นอนถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางมันนะพอจิตรวมทีนี้ถ้ารวมได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิรวมแล้วมีแต่อุเบกขามีแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็ มีความรู้สึกสุขใจสบายใจนะอันนี้ถ้ามีสติมากก็จะตั้งอยู่ได้นานยิ่งได้นานเท่าไหร่ก็จะทําให้จิตมีพลังในการที่จะนําเอาไปาดับความทุกข์ใจต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่สองส่วนชนิดที่สามนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ อันนี้เป็นจิตที่รวมแล้วเป็นอัปปนาแล้วรวมแล้วแต่ไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้ไม่ได้ถอนออกมาเหมือนคณิกะสมาธิแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบอัปปนาสมาธิคือไม่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขากลับไปออกไปรู้เหตุการณ์ที่อยู่ในโลกที่เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกทิพย์นี้จะรับรู้ได้ผ่านทางอุปจาระสมาธิการที่จะรู้กายทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์หรือการ ม, มีอภินยามีความสามารถพิเศษต่างๆระลึกชาติได้หรืออ่านวาลจิตของผู้อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องของอุปจาระสมาธิ สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเพราะภ า, าวนามยปัญญาเพราะสมาธิแบบนี้ไม่มีอุเบกขาใจยังมีความรักชังกลัวหลงอยู่ถ้าออกจากสมาธินี้ไปจะไม่มีกำลังที่จะไปทำใจให้เฉยเวลาที่จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดภาคจากกันได้ใจจะมีความกลัวขึ้นมาทันทีกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายดังนั้นสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิตึงแม้ว่าจะมีความวิเศษวิโสมีอภินญามีความสามารถพิเศษแต่มันความสามารถที่เอาไปใช้ในการดับความทุกข์ไม่ได้เป็นความ สามารถที่จะส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นพอเวลามีอภิญญามีความสามารถพิเศษก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาขึ้นมาได้ <c oughs> คิดว่าตนเองวิเศษเพราะมีความสามารถพิเศษก็เลยหลงตนเองแล้วก็เกิดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเช่นพระเทวทัตนี้ก็ได้อุปจารสมาธิ ได้อภิญยาก็เลยคิดว่าตนเองเก่งมีความสามารถพิเศษเห็นพระพุทธเจ้าทรงจราภาพก็เลยมีความอยากเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพอกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดก็เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาท พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จพอจะตายไปก็ต้องไปใช้โทษในนรกนี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิยกเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่าถ้าเรา ถ้าเรามีนิสัยที่จะไปทางอุปจาระสมาธิแล้วต้องใช้สติเดึงกลับมาดึงให้กลับเข้ามาอยู่ที่อุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่ให้รู้เฉยๆให้อยู่นิ่งๆอย่าไปรับรู้กับเหตุการณ์อะไรต่างๆถึงแม้จะเป็นของมหัสัจรย์วิเศษในทางสายตาของคนในโลกนี้ก็ตาม แต่ในสายตาของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่เห็นว่ามันวิเศษเพราะมันดับความทุกข์ใจไม่ได้ช่วยมันเอามาใช้ในการดับความทุกข์ใจไม่ได้มีแต่ส่งเสริมสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นได้จึงถ้าอยู่ในขั้นที่กำลังเจริญสมาธิอย่าปล่อยให้ไปในทางนี้แต่ สมาธิทางนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ในอีกระดับหนึ่งคือถ้าหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้ดับความทุกข์ต่างๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้สมาธิแบบนี้มาใช้ประโยชน์เพราะสามารถติดต่อกับเทวดาได้สั่งสอนเทวดาได้คนที่ไม่มีอุปจารสมาธินี่ สมมติบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วจะไม่สามารถสอนเทวดาได้เพราะไม่มีการไม่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ต้องพวกที่ได้อุปจารสมาธินี้เท่านั้นถึงจะสามารถติดต่อกับเทวดาและสั่งสอนเทวดาได้อย่างพระในยุคปัจจุบันที่เรารู้กันก็คือหลวงปู่มั่นเน่ันได้อุปจารสมาธิด้วย แต่ตอนที่ท่านบาเพ็ญท่านไม่ได้ใช้มันท่านดึงมันเข้ามาสู่อปปนาสมาธิแต่หลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็ใช้อุปจาระสมาธิในการแสดงธรรมให้แก่เทวดาในการคอยปราบจิตของลูกศิษย์เวลาจิตคนไหนคิดไปในทางที่ไม่ดีท่านก็จะเตือนเขาว่าอย่าคิดไปในทางนั้นเพราะท่านอ่านจิตใจของลูกศิษย์ได้ อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปใช้สั่งสอนผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะมาดับความทุกข์ของตนเองดังนั้นในขั้นที่กำลังบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธินี้ต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้จิตออกไปทางอุปจารสมาธิแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือ ผู้ที่จะได้อุปจาระสมาธินี้มีจำนวนน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ภาวนาแล้วจิตสงบแล้วจะออกไปทางอุปจาระเ ส, สมอมีส่วนน้อยเท่าที่ได้ยินถ้าว่าร้อยละห้าเท่านั้นที่จะมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถไปรับรู้เรื่องของกายทิพย์ต่างๆได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลถ้ามาถึงจุดนี้ถ้ามีนิสัยที่จะไปทางอุปจารสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาหลยเพราะมีสติกำลังพอที่จะดึงให้อยู่ในอัปปนาสมาธิได้แต่ถ้าไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีใครบอกถ้าไม่รู้มาก่อนก็อาจจะหลงได้หลงคิดว่าเป็นสมาธิที่ที่เลิศที่วิเศษ เพราะเท่าที่ได้ยินในหมู่วงของการปฏิบัติก็มักจะชอบคุยเกีเ่ยวกับเรื่องการมีอภิน ญ, ญาต่างๆนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเห็นการเห็นร ล, ลึกชาติได้ติดต่อกับเทวดาได้อะไรต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ไม่รู้จริงก็ไปหลงคิดว่านี่แหละคือผลที่ต้องเกิดจากการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิเพื่อให้ได้เห็นเทวดาให้เห็นนรกให้เห็นสวรรค์อันนี้แหละเป็นความหลงผิดแล้วเพราะสมาธิแบบนี้ไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะเอามาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจะไม่เป็นปัญญาจะไม่สามารถกลายเป็นภาวนาไมยปัญญาได้ ปัญญาเป็นได้ก็แค่จินตามยปัญญาหรือสุตตะ・มยปัญญาที่จะไม่มีกําลังพอที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในใจได้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วจิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งมาเริ่มรับรู้เรื่องราวของร่างกายพอมารับรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือร่างกายของคนที่เรารักต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ใจก็จะไม่สบายขึ้นมาถ้าไม่มีอุเบกขาถ้าไม่ได้ผ่านอัปปนาสมาธิมาใจจะไม่นิ่งพอมารับรู้เรื่องราวที่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะพบนะก็จะทําให้มีความไม่สบายใจขึ้นมาถึงแม้จะรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นธรรมดานะ แต่ถ้าไม่มีอัปปนาสมาธินี้จะทาจะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้จะเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วออกมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพัดพากจากกันใจจะรู้สึกเฉย เพราะใจมีอุเบกขาอันนี้แหละอุเบกขานี้จึงเป็นตัวสาคัญต่อการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบให้ไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ทุกข์กับอนิจจังกับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจังไม่ให้อยากกับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจังไม่ให้อยากกับของที่เป็นอนัตตา อันนีจังอนนาตานี้มาด้วยกันของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นร่างกายหรือสิ่งของต่างๆนี้เป็นอันนีจังเป็นอนัตตาทั้งนั้นจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจว่ามีปัญญาคือภาวนาไมายปัญญาหรือไม่ถ้าใจที่มีภาวนาไมายปัญญาจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนิจังสิ่งที่เป็นอนัตตา แต่ถ้าใจไม่มีภาวนาไม่ยักปัญญาไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจก็จะอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันเป็นอัตตาอยากให้มันถาวรเที่ยงแท้แน่นอนอยากให้มันเป็นของเราของที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้เอ ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะควบคุมบังคับไม่ได้จะสั่งให้มันนิจจังให้มันถาวรไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีวันเสื่อมวันหมดไปนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือไม่คนที่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมนี้จะไม่เคยคิดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้จะคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคิดว่ามันเที่ยงคิดว่าเราควบคุมมันได้มีอะไรเรารักษามันได้คุ้มครองมันได้สั่งมันได้แต่พอถึงเวลาที่มันสั่งไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันก็เพราะว่าไม่มีความรู้ว่ามันไม่เที่ยง เราห้ามเราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เปลี่ยนใจรับกับความไม่เที่ยงไม่ได้เตรียมใจรับกับความไม่เที่ยงรับกับความรู้ที่ว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงได้แล้วก็ไม่มีอุเบกขาที่จะทำใจให้เฉยได้ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ได้เข้า ไม่ได้ศึกษาไม่มีสุตตไมิยปัญญาไม่ได้ทำการบ้านคือจินตามิยปัญญาไม่ได้ไปฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อให้เกิดอุเบกขาจะจะจะต้องทุกข์กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในร ะ, ระดับไหนก็ตามจะรวยขนาดไหนจะเก่งขนาดไหนจะฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่เป็นความฉลาดแบบโง่ฉลาดแบบทางโลก เป็นผู้ที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่ได้มาศึกษาทางธรรมไม่ได้มาศึกษาวิชาความรู้ทางธรรมจะให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนรับรางวัลโนเบลมาแล้วก็ตามพอเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพากจากกันนี้ร้องไห้กันทุกคนทุกกันทุกคน นี่คือความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆได้สุดตาเมยยัปปัญญาหรือว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงหรือว่ามันเป็นอนัตตาไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ก็เริ่มทำใจหัดทําใจว่าต้องอยู่กับความไม่เที่ยงต้องรับกับความไม่เที่ยงให้ได้ต้องรับกับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ แต่ก็ยังรับไม่ได้เต็มที่ถ้ายังไม่ทำใจให้เป็นอุเบกขาดังนั้นนอกจากการที่ได้ฟังแล้วได้ทำการบ้านแล้วยังต้องไปทำใจให้นิ่งด้วยต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าทำใจให้เป็นอุเบกขาได้แล้วทีนี้จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนิจจง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นราบยศสรรเสริญก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่เที่ยงจริญได้มันก็เสื่อมได้จริญลาบมันก็มีวันหมดได้จริญยศมันก็มีวันหมดได้จริญสรรเสริญมันก็มีวันหมดได้จะเลินสุขมันก็มีวันหมดได้ ต่ใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะใจจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้เวลาหมดก็เฉยเท่านั้นเองหมดก็หมดก็รู้แล้วว่ามันต้องหมดพวกเราเนี่ยทุกคนจะต้องสูญหมดทุกอย่างรู้หรือเปล่าเรามากันตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย แม้แต่ร่างกายที่เรารักและหวงมากที่สุดก็เอาไปไม่ได้นับภาษาลายกับร่างกายของคนอื่นนับภาษาลายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราหากันมาท่าเป็นทบาตายเอาไปไม่ได้เลยเพราะของเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้น นี่คือความรู้ทางพระพุทธศาสนาคือให้รู้สองอย่างนี้เท่านั้นให้รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นอนัตตาคือเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้วันนี้มันเป็นของเราก็จริงแต่วันพรุ่งนี้มันจะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้จินตามายาปัญญา แต่ถ้ายังแต่ก็ยังทำใจไม่ได้เวลาสูญเสียอะไรก็ยังทุกอยู่ก็แสดงว่ายังขาดยังไม่ได้ปัญญาขั้นที่สามได้ขั้นที่หนึ่งได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆแต่ยังทำใจไม่ได้ทำใจให้เฉยไม่ได้ก็ต้องไปหัดทำใจให้เฉยโดยการไปฝึกสมาธิฝึกสติกัน ต้องไปหาที่สงบอยู่คนเดียวเพราะการจะฝึกสมาธิฝึกสตินี้ต้องอยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาดื่มใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงคนนั้นคนนี้ถ้าอยู่กันหลายคนเดี๋ยวก็คุยกันละคุยกันก็เดี๋ยวก็วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้หรือมามีสมบัติมีอะไรก็มาโอ้มาอวดกันฉันมีสมบัติอย่างนั้นมีอย่างนี้ นั้นมีแฟนอย่างนั้นมีอย่างนี้มีลูกอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันโอ้อวดกันฟุงกันไปจิตไม่มีวันที่จะนิ่งได้นั่งสมาธิก็สงบไม่ได้ก็หยุดความคิดไม่ได้ฉะนั้นนอกจากไปปิกวิเวกแล้วอย่างต้องไม่คุกคีกันเช่นไปอยู่ที่วัดต่างคนต้องต่างอยู่กันอย่าคุยกันถึงแม้เวลามาทากิจกรรมก็ไม่ให้คุยกัน ทุกคนมีหน้าที่ทำกิจกรรมก็ทำไปถ้าต้องล้างถ้วยล้างชามก็ล้างกันไปไม่ต้องคุยกันรับประทานอาหารก็รับประทานไปไม่ต้องคุยกันทำอะไรไม่ต้องคุยกันกวาดบ้านถูบ้านกวาดศาลาถูศาลากวาดดานวัดก็ทำไปไม่ให้คุยกันเรียกว่าไม่ครุกคลีกัน ถ้าครุกครีกันแล้วมันจะฟุ้งมันจะคิดปรุงแต่งแล้วมันจะทาให้เวลานั่งสมาธินี้ไม่ได้ผลนั่งไม่ได้นั่งได้ไปนั่งได้ชั่วโมงแต่ไม่ได้ผลเพราะนั่งไปแล้วก็ฟุ้งไปทั้งชั่วโมงคิดไปทั้งชั่วโมงอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้จักวิธีจเจริญสตินั่นเอง วิธีเจรินสตินี้ ETF ต้องคอยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับปัจจุบัน yorsun. ปัจจุบันก็คือร่างกายหรือพุโทโธถ้าอยู่กับพุทโธมันก็ไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้ถ้าอยู่กับร่างกายมันก็ไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้ถ้ามันอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมพออยู่กับลมพพได้เดี๋ยวมันก็รวมได้ มันก็สงบได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้นนี้แหละคือความ <c oughs> สิ่งที่จะต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนอกเหนือจากการทำการบ้านคือนำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปทบทวนอยู่เรื่อยๆไปพิจารณาอยู่เนืองๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพิจารณาอยู่เนืองๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้อย่าให้ลืมเป็นอันขาดแล้วมันจะเริ่มปล่อยวางมันจะเริ่มคลายความหลงความยึดติดความอยากที่จะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดภาคจากกาัน และเวลาเกิดเหตุการณ์จริงถึงแม้ว่ายังจำหยุดความทุกข์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตรับรองได้ว่าความทุกข์นี้จะเบาลงไปจะไม่เศร้าโศกเสียใจถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนคนบางคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมีการพัดพากจากคนที่เราลักพอสูญเสียคนที่รักไปนี่บางทีอยากจะฆ่าตัวตายเลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญญาทางพุทธศาสนา รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงรู้ว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันพอถึงเวลาพัดพากจากกันถึงแม้ว่าจะจะทุกข์อยู่แต่ก็ทุกข์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ควบคุมใจไม่ให้อา่าคิดถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายได้แล้วก็ทุกข์ไม่นานทุกข์เดี๋ยวเดียวเดียวมันก็ผ่านไปแต่พวกที่ไม่มีปัญญานี่บางทีทุกข์กันเป็นเดือนเป็นปี คิดถึงคนที่รักที่ไรก็ร้องหม่มร้องไห้ไปทุกทีทั้งๆ ท, ท, ที่เขาตายไปไม่รู้กี่ปีแล้วอันนี้เพราะว่าไม่เคยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดก็แล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมแต่ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีภาวนามยะปัญญา อย่างใจยังไม่เป็นอุเบกขายังไม่ได้สมาธิงั้นเวลาไปศึกษาที่ไหนก็สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทำสมาธินี้อย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดปัญญานี้ไม่สามารถทำให้จิตเป็นสมาธิได้ต้องใช้สติเท่านั้นสติก็คือต้องคอยหยุดความคิดให้ได้ปัญญามันเป็นตัวคิดตัวคิดมันจะไปหยุดความคิดได้อย่างไรมันอาจจะทาให้มัน เปลี่ยนเรื่องคิดได้เช่นเวลาเราจะนั่งสมาธิแต่ใจเรายังไปคิดถึงแฟนคิดถึงลูกอยู่ไปห่วงลูกห่วงแฟนอยู่ถ้าเราใช้ปัญญามาบอกว่าแฟนกับลูกเขาเป็นอันนี้จังนะเขาเป็นอนัตตานะเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปทำอะไรเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เราไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร พอรู้ว่าเราไปกังวลไม่ได้เราก็ตัดใจเสียเราก็หยุดคิดถึงลูกคิดถึงแฟนได้แล้วก็กลับมานั่งทำสมาธิทำใจให้สงบต่อไปได้แต่ยังไงก็ยังต้องใช้สติมาทำใจให้สงบอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญญาแล้วก็ตามมันเพียงแต่ทำให้ใจไม่ให้ไปคิดในเรื่องที่ทำให้มันฟุ้งให้มาหยุดคิดแล้วก็ให้มาทาใจให้นิ่งให้สงบ ด้วยการอยู่กับปัจจุบันต่อไปอยู่กับพุทธโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะังนั้นการทำสมาธินี้เป็นธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่เะนั้นละพุทธเจ้าจะสอนศีลสมาธิปัญญาทำไมจะสอนสัมมาสมาธิสมัยสอนสัมมา ส, สติทำไมมรรคแปดก็ไม่ต้องมีมรรคแปดเอาแค่มรรคหกก็พอมีศีลกับปัญญาก็พอ ไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีสมาธิอันนี้มันเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ไม่ได้รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นอนัตตาแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทําใจไม่ได้เพราะไม่เคยทําใจมาก่อนต้องไปฝึกทําใจให้ปล่อยวางให้ได้ให้เป็นอุเบกขาให้นิ่งเฉยให้ได้ด้วยการไปฝึกสมาธิด้วยการไปฝึก ฝึกสติช่วงที่ฝึกสติฝึกสมาธิพยายามทาใจให้นิ่งอย่าปล่อยให้คิดจะคิดก็ต่อเมื่อเราอยู่ในช่วงที่เราจะเจริญปัญญาถ้าเรายังไม่มีสมาธิแขวนปัญญาไว้ก่อนยังไม่ช่วยไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาเจริญปัญญาเป็นเวลาที่เราจะต้องมาเจริญสติหยุดความคิดอ แต่บางเวลาเราก็ไปฟังเทศฟังธรรมได้อันนี้ไม่ได้ห้ามแต่ช่วงที่จะใช้ปัญญานี้เราให้เราได้สมาธิก่อนโดยจะใช้ปัญญาก็ได้แต่ต้องระวังอย่าให้มันกลายเป็นอย่างอื่นไปเพราะส่วนใหญ่มันตอนต้นมันเริ่มที่ปัญญาแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องโลกไปกลายเป็นเรื่องกังวลเรื่องความโลภความอยากไปได้อันนี้ เป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อันนี้คือปัญหาถ้าไปเจริญปัญญาในขณะที่เรายังไม่มีสติพอที่จะคอยหยุดความคิดจึงเคะซื้อให้เราให้มีสติพอที่จะหยุดความคิดแล้วค่อยไปเจริญปัญญาเพราะถ้ามันออกนอกลูก่นอกทางไม่อยู่ในทางปัญญาเราก็จะหยุดมันได้อันนี้ก็คือหลักการของการปฏิบัติ ยังไงยังไงก็ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาถึงจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้คือเป็นภาวนามายปัญญาอันนี้เป็นาวเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่หนึ่งที่สองนี่เป็นเหมือนขั้นบันไดสู่ปัญญาขั้นที่สามไม่มีปัญญาขั้นที่หนึ่งก็ไม่สามารถเกิดปัญญาขั้นที่สองได้ ไม่เป็นมีปัญญาขั้นที่สองก็ไม่สามารถเกิดปัญญาขั้นที่สามได้แต่อย่าไปหยุดที่ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองเพราะมันยังไม่พอกำลังยังไม่พอปัญญาขั้นที่หนึ่งทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอนิจจงอะไรเป็นอนัตตาอะไรทำให้เราทุกข์แต่รู้เฉยๆยังมาทาใจให้ไม่ทุกข์ไม่ได้ การที่สองก็เพียงแต่ทำให้เราไม่ให้ลืมปัญญาความรู้เหล่านี้ถ้าเราฟังหนเดียวแล้วเราไม่เอามาคิดต่อเดี๋ยวเราไปทำงานทำการทำธุระอะไรต่างๆเดี๋ยวความรู้ที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังทมก็หายไปหมดดีถึงบางทีต้องกลับมาฟังทมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าฟังวันนี้แล้วเดี๋ยวอีกสองวันก็หายไปละลืมลอะอาทิตย์หน้าก็ต้องมาฟังใหม่ จึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเอาไปคิดบางทีคิดไม่ได้กี่วันก็ลืมละหยุดคิดละก็ต้องกลับมาฟังใหม่มาเริ่มมาทบทวนใหม่มาได้ยินได้ฟังใหม่จึงจําเป็นต้องฟังอยู่เรื่อยๆอันนิสงของการฟังธรรมจึงมีอย่างนี้จะได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ฟังซ้ําอีกเพราะ ทำที่ได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะลืมไปก็ได้หรืออาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ถ้าได้ยินได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความจําของคนนี้ไม่เท่ากันบางคนมีความจําดีฟังหนเดียวก็จําได้ก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ความจําไม่ดีกันฟังแล้วก็ลืมจึงต้องฟังบ่อย พวกที่ฟังแล้วไม่ลืมนี่พวกนี้เป็นพวกบัวเหนือน้ำเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ได้เลยแต่พวกที่มันบัวใต้น้ําเนี่ยมันฟังแล้วมันชอบลืมกันเลยต้องกลับมาฟังอยู่บ่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ฟังก็ต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องนําไปสู่การสร้างปัญญาขั้นที่สามคือต้องไปหาเวลาไปไปทำไปปริกวิเวก ไปอยู่คนเดียวไปเจริญสติไปนั่งสมาธิทําใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการเข้าไปสู่ในอัปปนาสมาธิให้ได้นะถ้ายังไม่ได้จะไม่มีกําลังที่จะทําใจให้เฉยกับความสูญเสียได้เวลาเกิดความสูญเสียเวลาเจอกับอนิจจังเจอกับอนัตตานี่จะทําใจให้เฉยไม่ได้จะต้องร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจ หรือเกิดความโกรธเครียดแค้นอาฆาตปยาบายขึ้นมานี่คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันที่เราชาวพุทธควรที่จะมาศึกษาให้รู้ว่าแต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้มันปรากฏขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปใช้ดับความทุกข์ ให้มันหมดไปจากจิตจากใจดับการเกิดแก่เจ็บตายดับการเวียนว่ายตายเกิดจะดับได้ด้วยปัญญา3ระดับนี้ระดับที่หนึ่งสุตตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังระดับที่สองจินตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคข้ควรทบทวนพิจารณาอยู่เนือ ง, องและป ญ, ญาขั้น ภาวนามยะปัญญาปัญญาที่มีสมถภาวนาเป็นองค์ประกอบมีอุเบกขาเป็นองค์ประกอบที่จะทาใจให้วางเฉยได้เวลาสัมผัสกับอนิจจังเวลาสัมผัสกับอนัตตาใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ทุกไปกับการสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียคนนั้นคนนี้สูญเสียทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทอง สูญเสียร่างกายของตนใจจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียทั้งปวงใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะมันจะเข็ดมันจะรู้ว่าการเกิดแก่การเกิดนี่ไม่ดีเกิดแล้วจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากกัน ผู้ที่มีปัญญาในระดับที่สามนี้จะหยุดใจไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอให้ท่านนำเอาปัญญาทั้งสามนี้ไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุดเพื่อความสุขและความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตูทินางเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตโตซพเพปุเรนตุสังกะปา <c oughs> จันททปนะระโสยทามนิโตติระโสยทัสสะพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตโตอันตาราโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวัตนาสิริสะนิจจมุธาปจายโน จัตารธรร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาง <c oughs> าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบวันนี้เท่าไหร่ f a c e b o o สาม0 y อย t ี่สิบ9ร้อยเก้าคนเรดิโอยี่สิเอ็ดคนผู้รับฟังบนเขาเจ็ดสิบคนรวมทั้งหมดห้าร้อยี่สิคนครับพอาจารย์ ถ้าร้ยี่สิบคนใครอยากจะถามคำถามเมื่อกี้ก็เข้ามาถามได้นะเมื่อกี้จะถามไม่ให้ถามตอนนี้ให้ถามไม่ถามเพราะเวลาไม่ใช่เวลาถาม เ, าเวลาถามช่วงนี้จนถึงเวลาเลิกนะเวลาเลิกเราอย่าถามตอนนี้ถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านถามเข้ามาก่อนทางบ้านมีคำถามบ้างหรือยัง มีคำถามจากทาง YouTube ค่ะพระอาจารย์จากคุณลูกศิษย์ออนไลน์ค่ะอยากถามพระอาจารย์เรื่องสินแดข้อสามหน่อยครับพอดีต้องเลี้ยงลูกสาวอายุสามขวบเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับบางคนบอกว่าถือไม่ได้เพราะห้ามแตะต้องตัวขอคำแนะนำหน่อยครับออสินข้อ8นี่ข้อสานี่เขาห้ามร่วมหลับนอนกันแต่ที่เข้าไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเพราะกลัวเดี๋ยวจะทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องอาบน้ำแต่งตัวให้เขาหรือทำอะไรให้เขาอุ้มเขาอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงคนเดียวก็ต้องจำเป็นก็ต้องทำไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของเราอย่าไปทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็แล้วกันคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณศักดิ์ศิษย์ค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิต รวมเข้าสู่สมาธิขณะสวดมนต์และอีกครั้งในขณะเดินจงกรมอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องครับเอ่าก็ให้มันรวมสิมันรวมก็ถูกต้องแล้วพยายามมันรวมบ่อยๆรวมทุกครั้งที่เราต้องการหมดแล้วเลยอเอเดวันนี้คําถามน้อยถามจะไม่รู้จะถามอะไรแล้วออื เรีนรู้แล้วก็ต้องเอาอไปปฏิบัติเท่านั้นถึงจะได้ผลออันนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่แต่ยังไม่ได้เป็นการเดินทางเอการถามหาความรู้การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เมื่อดูแล้วขั้นต่อไปก็ต้องออกเดินทางถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยา ถ้าไม่ดูแผนที่ออกเดินทางก็หลงได้อย่างบางท่านมาที่นี่ถ้าไม่มีแผนที่มาไม่ถึงต้องแวะไปถามคนบอกทางก่อนถึงจะมาได้ดงนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติทำได้ผลเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนการจะรู้ผลรู้วิธีที่ถูกต้องก็ต้องศึกษาคือการได้ยินได้ฟังธทำหรือการสอบถาม ถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนไหนเราก็ต้องถามผู้รู้เพื่อให้เขาด้วยชี้แจงอธิบายให้เข้าใจเพื่อเราจะได้นำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพอเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วเราปฏิบัติที่ถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมามีคำถามอย่า ง, งคำถามจากคุณสัมพโลค่ะถ้าฝึกปฏิบัติจเจริญสติสมาธิ จนสามารถยกขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถแก้กรรมที่เราได้กระทามาได้หรือไม่ครับ อ, อ๋อกรรมเก่าแก้ไม่ได้หรอกอยู่ที่ว่ามันจะตามเราทันหรือไม่เท่านั้นเองคำถามจ้าคุณเพลินค่ะการดูจิตขณะปฏิบัติให้ดูที่ตรงไหนครับไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เคยสอนให้ดูจิตสอนให้พุโทโธสอนให้ดูร่างกาย อย่าไปดูจิตเมื่อยังไม่รู้จิตอยู่ตรงไหนอยไปดูมันยังไงให้ของที่เห็นชัดๆกลับไม่ดูกลับไปดูไอ้ของที่มองไม่เห็นอยังให้ดูร่างกายให้จิตอยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่มีความสามารถที่จะดูจิตได้นะดูร่างกายไปก่อนเพื่อให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมา หมดแล้วเลยอา่อาต่เย็นๆดูจิตไม่ทราบเดี๋ยวนี้เขานิยมสอนให้ดูจิตกันไม่รู้ดูอะไรแล้วก็มาถามกันว่าดูจิตดูอะไรความจริงดูจิตก็ดูว่ากำลังโลภหรือกำลังโกรธหรือเปล่านั่นแหละก็เรียกว่าดูจิตดูแล้วหยุดมันได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าดูแล้วรู้ว่ามันโลภแล้วหยุดมันได้ก็ดีรู้ว่ามันโกรธแล้วหยุดมันโกรธได้ก็ดี แต่ถ้ารู้ว่ามันรู้วมันโลกแต่ก็ยังหยุดมันไม่ได้อยากจะสู่เพืเล่รู้ว่าอยากสูก่เพเล่แต่ก็หยุดมันไม่ได้ไอ้เนี้ยก็ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูแล้วมันต้องหยุดมันได้เหมือนขับรถเนี่ยขับรถแล้วต้องดูทางดูว่ามันอยู่ในทางหรือเปล่าถ้ามันออกนอกลูนกนอกทางเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาให้ได้ถ้าดึงกลับมาไม่ได้เหมือนคนเมาแล้วขับเนี้ยก็อย่าขับดีกว่า เดี๋ยวอันตรายคนเมาแล้วขับนี่เป็นคนที่ควบคุมให้รถอยู่บนท้องถนนไม่ได้ชอบแหกโค้งหรือชอบไปชนกับรถคันอื่นเพราะไม่มีตัวที่จะหยุดฉันใดการดูจิตโดยที่ไม่มีตัวที่จะหยุดจิตก็อย่าไปดูให้เสียเวลาดูแล้วมันก็หยุดมันไม่ได้โกรธก็หยุดมันไม่ได้โลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้ดูอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อันนี้ต้องเหมาะกับคนที่หยุดจิตได้แล้วค่อยไปดูจิตก็คือคนที่มีสติแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วอันนี้เรียกว่าหยุดจิตได้พอหยุดจิตได้พอจิตจะไปทางโลกก็หยุดมันได้ไปทางโกรธก็หยุดมันได้ไปทางทุกข์ก็หยุดมันได้นี่คือความหมายของการดูจิตการดูจิตที่ที่ถูกต้องนั้นต้องดูซ้ คำถามจากบนศาลานะคะด้วยงานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจะเป็นลักษณะเป็นสีเทาเลยทําให้รู้สึกว่าในการปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดกรรมหรือตามหน้าที่ควรคิดหรือปฏิบัติอย่างไรคะถ้ามันทําให้เกิดกรรมก็อย่าไปทําสิทํามันทําไมทําแล้วมันเกิดโทษสู้อย่าไปทาดีกว่าทําน้ําขาดทุนอย่าไปทําการกระทําอะไรที่ทําให้เกิด ผลเสียหายกับเราทางจิตใจโดยเฉพาะทางจิตใจเช่นทําบาปอย่าไปทําได้ไม่คุ้มเสียคําถามจากคุณโดดเดี่ยวพันลีค่ะถ้าเราเสียเงินซื้ออาหารปลาในราคาเท่ากันแต่จํานวนอาหารปลาที่ได้ไม่เท่ากันเพราะบางร้านให้น้อยบางร้านให้มากแบบนี้เราจะได้บุญตามจํานวนเงินที่เสียใช่ไหมครับถ้าเราไม่ติดใจเราคิดว่าอ สงสารเขาเขาอาจจะขาดเงินขาดทองเขาอะไรก็ต้องเอาของที่ขายให้เราไปก็ถ้าเราไม่ติดใจเราคิดว่าสงเคราะห์เขามันก็เป็นบุญขึ้นมาคําถามจากคุณอเล็กค่ะใกล้วันสงการมาเกิดอุบัติเหตุยานยนต์บนท้องถนนตายมากทุกปีเรียนถามว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเคราะกรรมหรือประมาทครับส่วนใหญ่ก็เป็นความประมาทเนี่ย เพราะว่าขับรถแบบไม่มีสติดื่มสรายาเมาหรือรีบร้อนไม่มีปัญญาไม่ดูสภาพของถนนว่าคนจะวิ่งช้าวิ่งเร็วใดอย่างก็อาจจะไม่ตรวจสภาพรถยนต์คำถามจากคุณจงซินีค่ะขอคำแนะนำจากท่านว่าหากวันอยู่สงการนี้บางคนก็กลับบ้านเพื่อไปพบปะญาติพี่น้องบิดาบรรดาของตนเอง แต่เราอยากไปปฏิบัติธรรมอย่างไหนจะดีกว่าคะถ้าประโยชน์ทางจิตใจมันก็ปฏิบัติธรรมมันต้องดีกว่าการไปพบปะพี่น้องก็ดีใจกันเดียวเยวแล้วเดียวไม่ดีก็อาจถ้าอยู่กันนานๆเดี๋ยวก็จะทะเลาะ ก, กันก็ได้เพราะเบื่อกัน่ก็มันก็เป็นเรื่องของสังคมที่อาจจะต้องมีการพบปะกันบ้างเพื่อรักษาสัมพันธไมตรี เพราะเรามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นมนุษย์สังคมต้องมีความสัมพันธ์ธรรมตตีที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเพราะเวลาเราขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือจะได้มีการมาช่วยเหลือดูแลกันแต่ถ้าเราสามารถาตัดเรื่องการไปรเยี่ยมญาติได้โทรโทรศัพท์ไปคุยกันทักทายกันได้ก็พอเราไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะจะได้ประโยชน์มากกว่า กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วคําบริกรรมเปลี่ยนเป็นว่าคุ ป, ปตตาคุ ป, ปตตาอยากทราบว่ามีความหมายหรือเปล่าครับและเพราะอะไรครับเ ร, เราไม่มีสติในะสิไม่มีสติควบคุมให้อยู่กับพุทโธปล่อยให้จิตมันไปเปลี่ยนเหมือนขับรถแล้วปล่อยให้รถมันเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองอันนี้แสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ คำถามจากคุณชาโนนค่ะการฝึกสมาธิจําเป็นต้องผ่านลําดับขั้นคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิทุกลําดับเป็นขั้นขั้นไปไหมครับหรือว่าในขณะฝึกแต่ละครั้งสมาธิที่ได้จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับกําลังสติของแต่ละคนครับนั่นแหละอยู่ที่สติเป็นหลักก็มีสอสองระดับที่มันที่เราจะ เริ่มต้นใหม่ๆมันจะเป็นคันดิกะเพราะสติเราเป็นเหมือนเด็กล้มลุกคุกค่าเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างได้แป๊บหนึ่งยืนขึ้นได้ปป๊บแล้วก็ล้มลงไปแต่พอฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็จะยืนได้นานเอก็เป็นอัปปนาสมาธิส่วนขั้นที่สามนี้ถ้ามันจะไปเราต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันไปคืออุปจาระสมาธิคําถามจากคุณพันธิภาค่ะ เราจะชดใช้กรรมเก่าๆในอดีตให้หมดไปในชาตินี้หรือไม่คะกรรมมันก็ต้องเกิดตามวาระของมันเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้แต่ละชนิดมันก็ออกดอกออกผลต่างเวลากันบางต้นก็ใช้เวลานานเช่นทุเรียนนี่กว่าจะปลูกให้มันออกดอกออกผลได้บางชนิดตอกปลูกกล้วยนี่เดี๋ยวไม่กี่เดือนมันก็ออกดอกออกผลฉั้นบุญกรรมที่เราทำนี้มันก็มีวาละต่างกันไป เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่หมดเมื่ อ, อไหร่สิ่งที่เรากำหนดได้ก็คืออย่าไปทำมันอย่าไปปลูกกล้วยมันก็จะไม่มีต้นกล้วยมาออกออกลูกให้เราอย่าไปปลูกต้นทุเรียนมันก็จะไม่มีต้นทุเรียนไม่มีลูกที่เรือนออกมาแต่ถ้าเราไปปลูกมาแล้วมันก็ต้องมีลูกตามมาเพียงแต่ว่ามันช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบุญกรรมก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปทามันก็ไม่มีผลตามมา ถ้าทําแล้วมันก็ต้องรอให้มันส่งผลช้าเรือเล็วอันนี้ไม่มีใครรู้หมแล้วใช่ไหมมีอีกไหมทำเองค่ะทำ เ, เลยทำเองพระอาจารย์ครับปัญญาที่ที่ไม่ได้เกิดจากการภาวนาไม่มีอุเบกขามารองรับนี่เป็นแค่ปัญญาคือเกิดเป็นแค่สัญญาความจําใช่ไหมคะก็นั่นแหละความคิดไอ้ปัญญาสองอันนี้ก็เป็นความจําไง เราต้องจำก่อนถ้าจำถึงเวลามันถ้ามันไม่จำมันก็ลืมจำมันจะได้สอนให้ใจหัดทำใจแต่ถ้าไม่ทำสมาธิมันก็ทำใจได้แค่ระดับที่เราทำได้มันไม่มันไม่ถึงกับขาดถ้าจิตไม่ถึงกับรวมเป็นสมาธินี้มันจะตัดอะไรไม่ขาดตัดอาจจะตัดได้แบบตัดได้แป๊บหนึ่งเดียวก็กลับมาใหม่ตัดแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนี้ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีความจำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยเพราะการมีความจำเรื่องเหล่านี้มันทำให้เราหัดทำใจไว้ก่อนทำเท่าที่เราทำได้หรือว่าเราต้องพัดภาคจากกันเช่นเป็นสามีภรรยากันร่วมวันดีคืนดีอาจจะต้องจากกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพอถึงเวลาจากกันถึงแม้ว่าจะเศร้าโศกเสียใจบ้างแต่ก็ยังพอทาใจรับกับเหตุการณ์ได้ ไม่ถึงกับโกรธเกลียดกันหรือไม่ถึงกับที่จะไปมีเรื่องมีราวกันอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ที่เรามีความจำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากน้อยถ้าไม่มีความจำเลยเวลาเกิดการพลาดภาคจากการนี้จะรับไม่ได้จะโมโหจะโกรธจะเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าจะให้รู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเลยดีใจที่ไปได้ก็ดีอย่างน้นก็ต้องมีอุบเบกขา เพราะคนที่มีอุเบกขานี่อยู่คนเดียวดีกว่าชอบอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าแต่ถ้ายังต้องอยู่ร่วมกันก็อยู่กันไปไม่ว่ากันเพราะถือว่าเป็นสัญญาชีวิตที่ทำมาร่วมกันเช่นสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งไปนั่งสมาธิแล้วได้อัปปนาสมาธิแต่ก็รู้ว่ายัางเลิกกับภรรยาเลิกกับสามีไม่ได้ก็อยู่กันไปแต่ถ้าได้ข่าวถ้าเขาอยากเสนอว่าเขาขอแยกทางนี่ คนที่ได้สมาธินี่จะดีใจยังไม่เสียใจ <c oughs> เข้าใจไหมคำถามจากคุณจินค่ะการนั่งสมาธิพอสมาธินิ่งนานๆแล้วขั้นต่อไปเราจะยกอารมณ์หรือสมาธิไปวิปัสสนาอย่างไรคะอ่าก็เวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ไปทดสอบดูสิทดสอบว่าเรา ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้หรือไม่เช่นเราไปโกนหัวดูถ้าเรารักความสวยความงามก็ลองไปโกนหัวดูดูว่าถ้าโกนหัวแล้วเราจะรู้สึกยังไงทุกข์กับมันหรือเปล่าหรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราอยอมรับความเจ็บไข้ได้ปวดหรือเปล่าแล้วก็นั่งแบบไม่ให้มันสงบนั่งให้มันเจ็บดูแล้วปล่อยให้อยู่กับความเจ็บไปได้หรือเปล่า ให้ความเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันดับไปเองได้หรือเปล่าโดยใจไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับความเจ็บไงถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเรามีปัญญารู้ว่าความเจ็บมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เราก็เฉยๆไปกับมันอยู่ไปกับมันถ้าเราอยู่ได้โดยที่ไม่หวั่นไหวอยู่อย่างมีความสงบมีความสุขก็ถือว่าเรามีปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้ว พอเกิดความเจ็บแล้วอยากให้มันหายอยากจะลุกแสดงว่าไม่มีปัญญาหรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราสู้กับความตายได้หรือไม่ก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่ที่ไหนเราคิดว่าจะทําให้เราตายก็ลองไปอยู่ที่ตรงนั้นดูที่ที่มีภัยอันตรายรอบด้านเช่นไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวอย่างนี้หรือไปอยู่ในป่าช้าแล้วดูซิว่าเวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาจะ ทำใจให้มันไม่กลัวได้ไหมอันนี้คือขั้นของปัญญาคือต้องเอาปัญญามาบอกร่างกายมันอยู่ที่ไหนก็ต้องตายอยู่ที่บ้านก็ต้องตายถึงเวลามันจะตายอต่ตอนอยู่ที่บ้านมันไม่มีอะไรมาทำให้เราเกิดความคิดถึงว่ามันจะตายเราก็เลยไม่กลัวตายกันเราก็ต้องไปหาที่มันมีท้าทายต่อความเป็นความตายดูแล้วดูว่าปัญญาที่เราได้เรียนมา ได้รู้มาว่าร่างกายนี้ต้องตายเป็นธรรมดานี้เราทำใจรับมันได้หรือเปล่าถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเอ้ยมันต้องตายที่ไหนก็ต้องตายถ้าถึงเวลานี้ต้องตายก็ให้มันตายไปว่าพอยองตายปับใจก็จะเฉยได้ก็จะรู้ว่าตานนี้มีปัญญาแนละ้วหลุดพ้นจากความกลัวตายได้แนละ้ว คำถามจากคุณโดดเดี่ยวพันลีนะคะตั้งแต่ฟังธรรมของพระอาจารย์เวลายุงกลดผมจะไม่ตกมันจะไล่มันไปแต่บางครั้งพลาดไปโดนจนมันตายโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแบบนี้บาปมากไหมครับความจริงจะว่าเจตนาจะฆ่ามันหรือไมน่นี้มันก็ไม่รู้เราอาจจะว่าไม่มีแต่เล็กๆมันก็เหมือนก็มันตายได้ก็ดีแต่ไม่อยากให้มันตาย ก็พยายามลองอย่าไปแตะต้องมันเลยติดต่อไปเพื่อความเพื่อพิสูจน์ว่าใจเราปล่อยวางได้ก็คิดว่าเป็นการบริจากเลือดเขาล้วกันเวลาเราไปโรงพยาบาลบอยจากเลือดเขาก็เจาะเลือดเอาเข็มมาเจาะยุงมันก็มีเข็มเล็กๆมาเจาะเลือดเราขอไปไม่ถึงหนึ่งซีซีก็ให้มันไปเถิดนะคิดว่าเป็นการบอยจากเลือดไปอทําบุญไป จากคำถามจะคุณขันติพง์ค่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิจะยกทำมาพิจารณาแต่พิจารณาไปได้สักพักยังไม่ได้ผลที่แยบคายจิตมันหยุดพิจารณาไปดื้ อ, อ, อแสดงว่าสมาธิไม่ดีพอสติไม่พอใช่ไหมครับกดความเปลี่ยนก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นสติสมาธิอาจจะเป็นความขี้เกียจก็ไดออ้ก็ต้องยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อย ความเพียรไม่พอนอกจากสติสมาธิปัญญาแล้วยังต้องมีวิริยะด้วยการปฏิบัติถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องของปัญญานี้ต้องบังคับให้มันคิดมันถึงจะคิดต้องยกเรื่องของปัญญามาพิจารณาเช่นพิจารณาอสุภะพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่มันต้องบังคับให้มันคิดมันต้องมีความเพียรมันถึงจะพิจารณาได้หมดแล้ว นทําที่สําคัญในข้อที่ไม่ค่อยได้พูดก็คือความเพียรถึงแม้จะมีแต่มันก็มีอยู่ในตัวของมันนั่นแหละคือให้เพียรก็คือให้เพียรเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ก็ต้องมีความเพียรนะแต่ไม่ได้พูดถึงเพียรทางปัญญาเพียรทางปัญญาก็ต้องพยายามหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาปฏิกูลของอาหารอยู่เรื่อยๆเพื่อเวลาที่ เราต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะได้เอาความรู้เหล่านี้มาใช้ดับกิเลสได้ดับความทุกข์ใจได้เช่นอยากจะกินพิซซ่าก็ให้มันนึกถึงพิซซ่าเวลาออกมาจากเวลาออกมาจากก้นว่ามันเป็นยังไง <laughs> อย่าไปนึกถึงพิซซ่าที่มันอยู่ในจานในถาดเนี่ยถ้านึกถึงมันอยู่ในถาดแล้วมันน้ําลายไหลแต่พอ <laughs> พ อ, อคิดถึงเวลาที่มันออกมาจากในซ่วมมันจะได้โอ้ไม่กินดีกว่ามีคาถามจากคุณนรินทร์นะคะทำไมท่านถึงว่าพระโสดาบันคือผู้ที่ไม่ถดถอยแล้วแต่พรหมยังถดถอยอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ต้องเกิดใหม่เหมือนกันแต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมน่าจะมีสติกับสมาธิสูงกว่าไม่หรอกพรหมเนี่ไม พระโสดาบันนี่ผ่านขั้นผมไปก่อนต้องมีอัปปนาสมาธิแล้วก็ได้ขั้นผมแล้วต่างตรงที่พระพระโสดาบันมีปัญญาแต่พระผมไม่มีปัญญายังไม่เห็นไตรลักษณ์ยังหยุดความอยากตันหาไม่ได้ความอยากที่จะกลับมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้มาอยากมาเกิดไม่ได้แต่พระโสดาบันนี่เห็นแล้วว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์ เกมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็จ ะ, ะไม่เสื่อมเหมือนพรมหมถึงแม้จะกลับมาเกิดก็เกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่พรหมนี่ยังกลับมาเกิดแบบไม่มีวันจบเนี่ยครูบาอาจารย์สองรูปของพุทธเจา้านี้พุทธเจ้าบอกเสียดายน่าเสียดายท่านได้ขั้นพรหมได้ชั้นฌานได้สมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญาเดี๋ยวพอ สติท่านเสื่อมท่านก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ถ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็จะได้บรรลุอริยมรรยาผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเลยก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะสิ่งที่ท่านขาดกันก็คือปัญญาขาดอริยาศาสขาดใจรักเนี่ที่ไม่มีไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณสมพโลค่ะเราทํากรรมที่ไม่ดีมาก่อนในชาติที่แล้วซึ่งในปัจจุบันเราก็จําไม่ได้แล้วทําไมเราต้องชดใช้กรรมชดใช้กรรมในสิ่งที่เราจําไม่ได้ครับถ้าจําไม่ได้แล้วไม่ต้องชดใช้กรรมก็ดีสิไอ้แต่ไอ้เจ้ากรรมในเวรมันจําได้สิไอ้คนคนที่เขาถูกเราทําให้เขาเจ็บเนี่ยเขาไม่เขาไม่ลืมเลย เขาถึงมาตามจองเวรจองกรรมเราอย่างนี้ก็ดีต่อไปกูทำบาปเสร็จแล้วกูทำเป็นลือมไป <laughs> คนที่ก็ถูกทำด้วยเขาไม่ลืมมันสิเวลาคนอื่นเขามาทำเราเราลืมหรือเปล่าใช่ไหมคำถามจากคุณกิติยาค่ะเวลานั่งสมาธิเหมือนจิตหลับลึก เหมือนตกหลุมอากาศทำให้สะดุ้งตื่นบ่อยๆเกิดจากสาเหตุอะไรและควรแก้ไข ย, ยังไงคะเกิดจากไม่มีสติก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเจริญสติให้มากก่อนนั่งแล้วเดี๋ยวสติมันหายพอหายแล้วมันก็จะวุบหลับไปไม่ใช่วุบแบบสงบคำถามจากคุณโดดเดี่ยวพันลีค่ะ ปัจจุบันนี้ผมยังเรียนอยู่ยังไม่ได้ทำงานพ่อจะให้เงินวันละหนึ่งรอยกว่าบาทโดยผมจะหักไว้วันละยี่สิบบาทเพื่อไปทำบุญทำแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับถ้าเป็นเงินของเราเราไปทำบุญเราก็ได้บุญแต่ถ้าพ่อสั่งว่าเอายี่สิบาทนี้ไปทำบุญเราจะไม่ได้บุญนะเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้เราพ่อสั่งให้เราไปทาบุญเป็นบุญของพ่อไปถึงแม้เจตนาพ่ออาจจะคิดว่าให้ให้เราได้ทาบุญ สั่งไม่ได้ของอย่างนี้เราต้องพอต้องให้เงินเราแ ล, แล้วแต่เราจะเอาไปใช้อย่างไรต้องออกมาจากจิตสํานึกของเราถึงจะได้บุญแต่ถ้ายังพ่อยังเห็นว่าเราเป็นคนไม่ชอบทําบุญอยู่อาจจะต้องใช้วิธีนี้สอนไปก่อนโดยการฝึกเราบอกว่าอเอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญนะออนี้เราก็จะได้หัดทําบุญ แล้วต่อไปพอเราเห็นผลจากการทำบุญว่ามันไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์เราก็อาจอยากจะทำของเราเองเวลาที่เรามีเงินของเราเราก็ได้ส่วนหนึ่งได้ได้ทำให้กับพ่อทำตามคำสั่งพ่อเราก็ได้มีส่วนอนุมโมทนาบุญรวมทำบุญกับใกับพ่อพ่อสั่งให้เอาไปทำบุญก็เอาไปทำบุญแต่ยังไม่ได้เป็นเงินของเรา ต้้งเราให้เป็นเงินของเราแล้วเราคิดเองว่าเราอยากจะเอาไปทำบุญอันนี้เราจะได้บุญเต็มร้อยเลยหมดแล้ ว, ลวเลยการทำบุญนี้ต้องเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราเราจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ของที่เราให้นะั้นเรารักมากรักน้อยถ้ารักมากก็จะได้บุญมากรักน้อยก็จะได้บุญน้อยเช่น ขยะของที่เราไม่ใช้แล้วเราเอาไปให้คนอื่นเนี่ยให้คนเสื้อผ้าเก่าเราไปให้คนยากคนจนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่จากร้านแล้วเอาไปให้เขาเนี่ยเงนอยู่ตรงนี้การเสียสละก็ยังอยู่ที่ของที่เราเสียสละว่าเป็นของที่เราลักมากรักน้อยด้วยของไหนยิ่งรักมากยิ่งจะยิ่งสุขมากยิ่งได้บุญมาก ของไหนที่เรารักน้อยก็จะรู้สึกรักมีความสุขน้อยเช่นพวกขยะนี่เราเวลาเอาไปทิ้งนี่เราไม่รู้สึกว่าเรามีความสุขเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเราไม่ได้รักมันเราไม่ได้เสียดายมันเลยแต่ของไหนที่เราเสียดายเช่นเมียเราพผัวเรานี่ใครมาขออย่างพระเวสสันดรเห็นไหมใครมาขอลูกก็ให้ไปเนี่ยพระเวสสันดรไม่ใช่ไม่รักลูกนะรักเนะี่ย และท่านมีความปาถณาจะสร้างทานบา ร, รมีอย่างมากท่านเฉอว่าเป็นการทดสอบใจท่านรู้เปล่าที่ท่านให้เขไปเนี่ยทดสอบว่าใจนี่เป็นทานจริงหรือไม่ยังรักยังโวงอะไรอยู่หรือเปล่าท่านจึงแล้วก็ท่านก็เห็นว่าท่านก็อาจจะไม่ว่างที่จะมาเลี้ยงลูกท่านไปภาวนาไปไปปีกเวิเวกอย่างนี้พรมีคนมาอาสารับไปเลี้ยงให้ท่านก็โอเคอ อันก็เลยให้ไปอันนี้แหละถ้าอยากจะได้บุญมากให้เสียของที่เราลักมากไปบางทีมันไม่อาจจะไม่มีคุณค่าราคาทางเงินทองแต่มันมีคุณค่าราคาทางจิตใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่เงินทองอย่างเดียวเสมอไปว่าจะมากจะน้อย <c oughs> ของที่ไม่มีราคาแต่เรารักเราหวงนี่มันทีก็มันก็มีผลต่อจิตใจเรามากกว่าเพราน ถ้าอยากใจบุญมากให้เสียสละของที่เรารักมากไปร่างกายนี้เราก็รักที่สุดถ้าเราสียละร่างกายได้เราจะยิ่งจะได้บุญเยอะใหญ่เราจะเป็นโสดาบันได้ถ้าเราเสียสะละร่างกายได้ยอมตายได้ยอมเจ็บได้ยอมแก่ได้นี่ก็คือการทำบุญอีกอย่างเสียสะละร่างกายเรา มีคำถามค่ะทําไมบางทีบอกให้ไปชั้นพรมดีกว่าไปสวรรค์คาอันไหนดีกว่าเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อสวรรค์พรมก็เป็นสวรรค์นี้สวรรค์มีสองระดับระดับเทพกับระดับพรมระดับเทพนี้เป็นถ้าโรงแรมก็ระดับสามดาวนี่ถ้าระดับพรมก็ห้าดาวอย่างงี้มันมีความสุขที่มากกว่ากันความสุขที่ต่างกัน คำถามจากคุณดวงตาเห็นธรรมค่ะข้าพเจ้านั่งสมาธิบางครั้งก็ภาวนาพุโทโธบางครั้งก็พองหนอเพราะอะไรคะก็แล้วแต่คุณคุณไปเลือกของคุณเองเหมือนกินข้าวมั้งวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวพวกนี้อาจจะกินข้าวผัดก็ได้ <c oughs> คำถามจากคุณพันธิพาค่ะถ้าเรานั่งสมาธิกำหนดยุบหนอพองหนอจนไม่ต้องกำหนดบริกรรม แต่รู้ได้เองว่าท้องพองยุบจนจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเราควรกำหนดอย่างไรต่อดีคะก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมดูไปเรื่อยๆให้ดูเฉยๆอย่าไปคิดอะไรคำถามจะคุณน้คมค่ะสังขารความคิดความปรุงแต่งของพระอริยะจะมีความคิดความปรุงไหมครับมีพระพุทธเจ้าก็ใช้สังขารมาแสดงธรรมไง เป็นแต่ความคิดปรุงแต่งของพระอริยะท่านปรุงไปทางทางทางธรรมะทางทางที่จะดับกิเลสทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านท่านจะไม่คิดไปในทางกิเลสตัณหาต่างๆท่านจะไม่คิดไปทางโลกอยากได้ของคนนั้นของคนนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ท่านจะไม่คิดอย่างนั้น ท่านจะคิดว่าวันนี้จะไปโปรดใครดีพระพุทธเจ้าตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าวันนี้มีใครที่ควรที่จะได้รับธรรมะเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านก็จะไปโปรดคนนั้นพระอริยะจะคิดแต่ทำประโยชน์สุขให้แก่โลกเพราะว่าท่านมีความสุขของท่านเต็มที่แล้วท่านไม่ต้องทำอะไรท่านก็มีความสุขล้นแก้วอยู่แล้วดนเวลาที่ท่านเหลืออยู่นี่ท่านก็เลย เอามาทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมโลกเพราะท่านคอยเป็นเหมือนพวกเรามาก่อนพวกเราที่ยังต้องทุกข์วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วใจของพวกเราจะไม่วุ่นวายใจของพวกเราจะสงบมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าก็คิดแต่อย่างนี้คิดที่จะทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยคิดจะเอาประโยชน์จากสัตว์โลกแม้แต่สลึงเดียวหรือแม้แต่สตางค์เดียว คำถามจะคุณสายพินค่ะไปซื้อปลาที่เขากําลังจะฆ่าที่ตลาดกับซื้อปลาที่เขาเตรียมไว้ขายให้คนซื้อไปปล่อยจะได้บุญเท่ากันไหมครั้งเฮ้ยไม่รู้หรอกต้องไปถามปลาดูว่าแล้วกันแม่มีคําถามมากมายกายกองถ้าคุณเป็นปลาสองชนิดนี้คุณคนยาวเป็นคุณจะเอาแบบไหนดีจะเป็นปลาที่เขากําลังจะฆ่าดีหรือว่าเป็นปลาที่ยังไม่ฆ่าดี ก็ได้บุญทั้งคู่น่ะอย่างนี้พูดง่ายๆเพียงแต่ว่าเราเห็นชัดๆว่าเราได้ช่วยชีวิตปลาที่จะถูกฆ่าแล้วเขาจะไม่ถูกฆ่าแต่ปลาที่เราไปซื้อจากคนขายเขายังไม่ฆ่าเพราะว่าเขายังต้องรอขายอยู่ก็ต่างกันตรงนั้นเตียนถามพระอาจารย์ค่ะทุกคืนจะสวดมนต์ให้คุณแม่ฟังแต่สวดไปสักพักรู้สึกว่าตัวเองจะเข้าพวางัง และเสียงสวดมนต์หายไปจะทำอย่างไรให้สวดมนต์จนจบโดยไม่เข้าพวังขอคำชี้นแนะค่ะก็อาจเสียงไว้เลอัดเสียงแล้วเปิดเทปไปเปิดเสียงที่เราอัดไปอีกคาถามนะคะพี่สาวแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่ระยะสองปีหลังจากเกษียณแล้วจะมาค้างบ้านคุณแม่สัปดาห์ละสี่วันเพื่อมาดูแลคุณแม่ที่ชรา แต่บางครั้งพี่สาวจะหงุดหงิดกับคุณแม่จนเครียดดิฉันรู้สึกว่าพี่สาวไม่ได้พอใจที่จะมาช่วยดูแลคุณแม่ด้วยความเต็มใจจึงทําให้พี่สาวเครียดและไม่มีความสุขจะขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็แล้วแต่พี่สาวเขาจะทำยังไงได้บางทีเขาคิดว่าเป็นหน้าที่แต่ใจเขาอาจจะไม่อยากจะมาแต่ก็อย่างน้อยเขาก็ยังมาอยู่ยก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มาเนี่ย ถ้าเรามีโอกาสคุยกับเขาได้ก็อาจจะถามเขาว่าทำไมเครียดนักกับคุณแม่ก็ลองถามสาเหตุดูถ้าเป็นเพราะว่าคุณแม่คุยกันไม่รู้เรื่องหรืรอว่าอะไรเราก็ต้องอาจจะบอกเขาว่าเราต้องเข้าใจว่าคนแก่เขาเป็นอย่างนี้ก็ เ, เป็นเหมือนเด็กเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเหมือนเราที่จะพูดกันแล้วเข้าใจกัน บางทีเราก็ต้องอนุโลม ผ, ลผล่อนผันอย่าไปถือสาคนแก่อย่าไปอยากให้ท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการเพราะเราคิดว่ามันดีสําหรับท่านเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไม่อยากจะทำอย่างที่เราต้องการก็ได้เราต้องเอาใจท่านตามใจท่านจะดีกว่าให้ท่านมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะไม่ ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายของท่านแต่ท่านสบายแบบนี้ก็ปล่อยให้ท่านทาไปตามสบายของท่านเถอดนียอย่าไปบังคับเช่นบังคับให้ท่านออกกำลังกายถ้าท่านไม่อยากออกกำลังกายแล้วก็ไปโกรธไปเครียดท่านอย่างนงี้เป็นเรื่องของท่านท่านบางทีแก่แล้วไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่อยากจะออกแรงอยากจะนอนก็ปล่อยท่านนอนไปเราอย่าไปเป็นเจ้านายท่านมาเป็นคนรับใช้ท่าน ตามใจท่านท่านต้องการให้เราช่วยทำอะไรก็ทำท่านไม่ต้องการให้เราช่วยเราก็ไม่ต้องไปเป็นคนคอยสั่งให้ท่านทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ออแล้วเราก็จะไม่เครียดคำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณจินนะคะเวลานั่งสมาธินิ่งเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ไม่ได้หลับมีสติอยู่ตลอดเหมือนตกอยู่ในพวงังอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกควรปฏิบัติอย่างออไรคะสติไม่ดี มีสติแต่ไม่มากพอครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ลุกขึ้นมาเดินมาสร้างสติก่อนมาเจริญสติเดินจมกรมให้มันหายง่วงหายจับหายอะไรก่อนให้มันตื่นตัวเต็มที่ก่อนหรือเดินจนกระทั่งมันเมื่อยแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่คำถามจากคุณกิติยาค่ะการนั่งสมาธิจิตสงบกับจิตหลับลึก แตกต่างกันยังยังไงคะขอบพระคุณค่ะอ๋อคือมีตัวรู้แล้วไม่มีตัวตัวรู้มีอยู่ยอหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้ารู้ตัวว่าสงบนี้ก็ไม่หลับถ้าหลับก็จะไม่รู้ตัวว่าหลับจะรู้ตัวก็เมื่อตอนตื่นว่าอ๋อเมื่อกี้หลับไปอ่อาข้อสุดท้ายคําถามจากคุณทรงศาก์ค่ะ การยึดติดอยู่ในความดีในบุญที่เราทำจะเป็นเหตุให้เรายังเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารหรือไม่ครับก็อยู่ที่ขั้นของบุญที่เราทำถ้าถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็ต้องปล่อยทุกอย่างถ้าเรายังติดบุญยังติดเช่นพระยังติดความอยากไปนิพพานอยู่มันก็จะทำให้เรายัางไม่หลุดพระอนุ์นี้อยากจะไปนิพพานก็เลยไม่หลุดพอ พอหยุดความอยากไปนิพพานก็เลยดุจงั้นมันแล้วแต่ขั้นของบุญถ้าอยู่บุญขั้นต่ำมันก็ยังต้องติดต้องยึดบุญขั้นต่ําเพื่อให้เราขึ้นสู่บุญขั้นสูงต่อไปทําทานรักษาศีลอย่างนี้ต้องยึดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงขั้นที่จะปล่อยได้มันเป็นขั้นบันไดมันเราเดินขึ้นจากอยู่ชั้นที่หนึ่งจะขึ้นชั้นที่สองเราก็ต้องยึดบันไดพอเราถึงบันไดถึงชั้นที่สองแล้วเราก็ปล่อยบันได แล้วเราก็ไปขึ้นบันไดขั้นที่สามต่อไปเะนันบุญมันก็มีหลายขั้นเช่นถ้าเราขั้นต้นเราเริ่มเราก็ทำบุญทําทานไปก่อนพอเราทาบุญหมดสระเงินทองหมดไปบวชเราก็ไม่ต้องมาทําทานนะพอเราทําทานเพื่อให้ให้เราไปบวชได้เมื่อเราไปบวชได้เราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็อย่าไปหาเงินทองมาทําบุญทําทานอันนี้เรียกว่าติดบุญขั้นที่หนึ่งแล้ว ต้องปล่อยบุญขั้นที่หนึ่งเพราะเมื่อเราอยู่ขั้นที่สองเราก็ต้องติดบุญขั้นที่สองคือรักษาศีลไปให้บ่อยสุดเพื่อจะได้ขึ้นขั้นที่สาไปการภาวนาต่อไปบุญมันเป็นขั้นขัน้นี่เรียกว่าการทำบุญที่เราจะต้องรู้ว่าถึงขั้นไหนที่เราต้องปล่อยหรือไม่ปล่อยเอาลวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา